ว่าท่านที่ฟังอนะ่ะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านบนรรลุธรรมเนี่ยนะคะบรรลุอริยรสรรัจสี่หรือว่าบรรบรรลุอะไรปัลลวัตหรือว่าบรรลุอะไรนะครับอ๋อพอฟังที่ฟังธรรมจากพุทธเจ้าถามว่าบรรลุอะไรก็คือ คำว่าบรรลุในที่นั้นบางท่านก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมบางท่านก็ได้บรรลุเป็นพระสะกาทาคาพระนาคาหรือพระลาหนในขณะฟังนะทีนี้ถามว่าบุคคลที่จะฟังและบรรลุได้ก็คือกลุ่มของอุกติตัยนอยู่ใช่ไหมและก็วิปปิเตียนอยู่โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถ้ากลุ่มในยะทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องไหลร้อยร้อยรอบแล้วก็ต้องไปปฏิบัติไปไข่ควรกัน ถ้าปัทถปรมาก็รอพบชาติต่อไปใช่ไหมเรือหลักก็มีอย่างเนี้ยอุคติตันยูเนี่ยก็ค่อนข้างรวดเร็วมากกลุ่มนี้เขาประเภทที่ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วหาไม่เจอแล้วอุคติตันยูยังไปจจนเยตันยูถ้าปัจจุบันเนี่ยชัดเจนที่สุดกจากหลักคําสอนที่จะคํานวณจากด้านคําสอนก็เหลือสามสองกลุ่มในญาบุคคลกับปัทถาปรมา ในยากก็คือประเภทที่ฟังแล้วฟังอีกไข่ควรแล้วใคร่ควรอีกปฏิบัติแล้วปฏิอดอีกเนะีให้สังเกต ด, ดูนะว่าเราฟังอย่างยกตัวอย่างเช่นฟังคําสอนเนี่ยนะถ้าอยากรู้ว่าเป็นในเป็นทุกเป็นอุคติตันญูหรือไม่เนี่ยนะสมมุติถ้ามาสาธยายคําสอนไปตามบาลีตามคําสอนเลยนะเอาพุทธพจน์ล้วนๆเลยนะฟังปั๊บเข้าใจเลย แทงตลอดและจําได้ทั้งหมดเลยนี่ใช่แล้วนี่กลุ่มนี้กลุ่มอุคติเตนอยู่แต่ถ้าโหไล่ไปทั้งสูตรหนึ่งยาวเพื่อเลยผ่านบมาบอกมไม่รู้พูดเรื่องอะไรเลยนี่นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วถ้าถามบอกว่าบรรลุอะไรให้สังเกตดูนะว่าพระพุทธเจ้าแสดงเอุบาศกบาศิกาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ยก็แสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ก็คืออนิสงส น, นั่นเองอนิสงของทานศีล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 ต้องไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็คับแคนใจอยู่เนืองนิดนั้นทุกเหล่านี้เ บ, บ, บียบเบียนบีบคั้นกระแสขันของเธออยู่เนืองนิดนี่คือทุกอย่างนี่นะสรุป ย, อย่อๆเนี่ยนะนี่คือทุกมากนี่เป็นความเจ็บปวดเป็นความทุกข์เธอเห็นไหมว่ามันเป็นปัญหาในทางมดงเนี่งนั้นภะิกษุเหล่านั้นหรืออุบาสกบาสิกาก็เห็นแล้วเจ้าข้าวันเป็นปัญหาจริงๆนี่ได้ก้อนของปัญหาขึ้นมาแบกเข้ามาถือเข้ามายึดครองแล้ว เธอรู้ไหมว่าปัญหาเหล่าเนี้อุปสรรคเหล่าเนี้ยตัวทุกเหล่านี้ที่กําลังเคลื่อนพลยบพลอยู่เนี้ยกําลังเคลื่อนพลผิดย้ายพลผิดอย่างเนี้ยกําลังเห็นผิดกําลังเดินทางผิดเนี่ยกําลังมุ่งหน้าสู่ทางผิดมุ่งหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันมาจากอะไรเธอรู้ไหมพระเจ้าว่าถอมไม่รู้ไม่รู้พระเจ้าบอกตัณหาไงตัณหาที่บวกกับกรรมไงทั้งกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างไงที่เกิดหนุนเน่ย เอาทำไมถึงทำกรรมทำให้ไปได้ทุกอย่างนี้เล่าอาวิชาไงความมืดบอดของจิตไงปิดบงังทําให้เธอทั้งหลายไม่รู้คุณไม่รู้โทษใช่ไหมไม่รู้อาสาทะไม่รู้อาชีนวาวะไม่รู้คุณแล้วก็ไม่รู้อาธีนวาวะไม่รู้โทษทังมันแล้วไม่รู้นิสรณะว่าทางที่จะเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ไงเพราะอาวิชาปิดนั้นไอ้ตัวตันหายตัวสมูทัยนี่แหละเป็นเหตุทําให้ได้ตาหัวจมูกลิ้นกายใจ เมื่อได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อได้รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาแล้วได้กรรชกายมาแล้วได้ขันห้ามาแล้วได้ตาหูจมูกเดินกายใจมาแล้วเธอก็แบกขันธพาละยกขันธพาละบริหารขันธพาละแบกโดยความมีชื่อประ ก, ะกาศกฎอีกใช่ไหมใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่ใส่โคตรขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็แบกกันให้วุ่นวายอยู่เนี่ย อัตราตัวตนก็เต็มไปหมดเนี่ยนั่นยกขึ้นยกขันธพาละขึ้นมาแบกเพ่อมาดูแลแล้วพระเจ้าบอกว่าปล่อยมันเสียเนี่ยมันทุกข์ถ้าพูดกันให้ชัดๆว่าไอ้นี่มันโรคมันเร็งนเนี่ยเนี่ยใช่ไหมบอกไม่ใช่มันสุกแล้วก็ไปเถียงคาสอนพระเจ้าบอกทุกข์มันก็สุกเนี่ยแล้วก็เถียงพระเจ้าอยู่เงี้ย แ้วก็เห็นมันสุขมันดีเนี่ยแล้วก็มีความสุขไปวันวันพรเจ้าบอกเอ้าสุขที่ไหนเราต้องยืนใช่ไหมต้องเดินต้องนั่งต้องนอนใช่ไหมต้องก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแรตรงแลเหลียวใช่ไหมการกินการดื่มการเคี่ยวการเลี้ยมการนุ่งห่มถือภาชนะการถายจุจละปัสสาวะการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งไม่เบื่องไง บอไม่เห็นเบื่อเลยมีความสุขแล้วก็แย่งกับพระยา้าอยู่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยแท้จริงนั่นแหละคือเรายกขันธภาระขึ้นมาแบกแล้วพระเจ้ามั น, นหนักหนักเข้าหนักเข้าก็ทิ้งขันธภาระในขนาดจุดตีอีกพระเจ้าไม่พ้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปยกขันธภาระโดยฐานะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างก็หลงทางกันอยู่อย่างเงี้ยออกไม่ได้อ่ะสินี่ไงทุก อันนี้เขาเรียกสแสวงหาการเกิดสแสวงหาความแก่สแสวงหาความเจ็บสแสวงหาความตายสแสวงหาความโศกสแสวงหาความวิบัติโดยแท้พระเจ้าบอกนี่สแสวงหาผิดพระเจ้าบอกสแสวงหาพระนิพพานสิอะไรเป็นเหตุทําให้ได้ขันน้ำพลัตัณหามีกรรมทั้งบุญและบาปบ้างถ้าบาปก็ให้ผลเป็นทุกข์บุญก็ให้ผลเป็นสุขที่เป็นมนุษย์เทวดาแต่ก็คือทุกข์นั่นเอง ก็คือทุกนั่นเองแล้วมีอวิชชาปิดอยู่ก็มืดบอดเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเหตุหของทุกขพระเจ้าที่บอกให้กําหนดรอบรู้แล้วก็ใจเดินละเสียละเหตุแน่ดีดด้วยเนะละยังไงเหตุแน่ดีตในอดีตที่ทํากรรมไว้อีกมากมายทํำยังไงจะละได้ก็อย่าให้อัธยาสัยเก่าๆนะมั๊เป็นปัจจัยในการทําอกกุศลกรรมในปัจจุบัน และก็ปิดช่องทางไม่ให้ตันหาเกิดขึ้นอวิชชาเกิดขึ้นและทําอกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นทีนี้ก็จะทํำกุศลกรรมก็คือเจริญมรรคนึ่เมื่อเจริญมรรคจะได้ปรินิพานเสียทีจะได้ดับตาหูจมูกเล่นกายใจอย่างถาวรในทุกภพจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าก็สรุปลงอริยสัจพราอเข้าใจแล้วก็ละฉันทราคะคือการมราคะก็คือกามาสวะพระวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะ ได้ก็ถ่ายถอนจากขันจากกระบวนกานตาลได้ไหมถ่ายถอนครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันครั้งที่สองได้ก็เป็นพระสกาทาคาครั้งที่สามก็เป็นพระนาคาถ่ายถอนยังหมดเกลี้ยงก็เลยกลายเป็นพระหรหักฐานก็หมดเชื่อมการเวียนไหวใจเกิดนั่นเขาเรียกว่าต่อไปเพราะจะมีสรีระเป็นที่สุดแล้วมีรู ป, ประขันเวทนาค่สัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่สุดแล้วลมหายใจขาดก็หมดขันธภาละเลย ไม่ต้องไปยกขันธภาละขึ้นมาแบกใหม่นี่ไงคืออนุปาทาปรินิพานที่พระเจ้าหวังเนี่ยเธอมานอนอย่างตถาคตนอนด้วยฉะนั้นนี่ไงการนอนแบบพระเจ้าแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาบริหารขันอีกเลยฉะนั้นไปสถานที่ปรินิพานใหม่และไปตั้งอัธยาศัยว่าต่อไปขอนอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมายกขันธภาละขึ้นมาแบกขึ้นมาหามขึ้นมาจัดการขึ้นมาดูแลอีก เพราะมันเป็นภาระมากเมื่อ